ญาติโ ย, ยมก็ฟังธรรมกันตอนนี้พระก็เริ่มทยอยเข้าวัดมาที่ไปเดินทุ ด, ดงกันตั้งแต่ธรรมยัาตรายอยวาโลไปกันเรื่อยยันทะลุไปภาคนะคะือทะลุไปลาวนะพาวัดป่าสุกโตทุ ด, ดงก็คือกูดกลาว ข่ล้กลาวขู่คือทำให้มันเรือระแก่นแก่นของชีวิตนะแล้วกล่าวให้มันกลมกลืนจใจกลิงได้ปัญญามแบบนั้นนะความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นแต่แลนนะขณะ ตัวนี้แหละมันจะขูดมันจะเกลาลำเมียดลำไม้ลมนว อ, อ่อนโยนเดียวเดียวกับสัพสั์สับสิ่งทุ่วดงในไม่ธรรมดาจะอิมอ่มจะอดจะอยู่ท่องไหนมานั่งเดินยืนนอนที่พักข้างหน้าจะมีแดดรอ่อเนูะลรุมรุมดอนดอนอันนี้เคย ใช้ชีวิตแบบนั้นมาสมัยเด็กๆเลยไม่รู้ว่นนี้จะกินอะไรไแล้วออกจากบ้านไปเลยแล้วก็มีปลกตังติดตัวไม่มีน้ำดื่มเราไมรจะได้กินอะไรเดี๋ยวกลับมาก็มืดค่ำเนี้ยต่อเป็นเวลาจนหนุ่มจนเรียนมัธยมน้ำไม่ได้ดื่มคะชีวิตนี้อาหารไม่ได้ตกถึงท้อ ง, งเลย จะมีกระปุผลไม้เล็กๆผลไม้นิดๆหน่อยๆก็ชื่นใจละขนมหวานสารกันบูดเนี่ยไม่มีหายากมากก็เป็นชีวิตที่เราก็มมนรู้เหมือนกันมันมันต้องฝึกตัวเองดันทำไมจะออกไปละมากรนมือ บางทีก็ได้ฟืนกลับมาบางทีก็ได้ผักกลับมาบางทีก็มีผลไม้ป่าเล็กๆน้อยๆกลับมาจืนกันเป็นอย่างนั้นช่วงปิดเทอมะยิ่งไปกันใหญ่เลยหายไปเลยก็ไม่ได้ไปกะพือชั่วทําชั่วอะไรติดการบันดานสิ่งเสพติดหรือว่ามัวสมในทางที่ไม่ไดีไม่ใช่เลยมันอยู่กับธรรมชาติ บทีก็อยู่เป็นน้าอยู่กับน้ำนะเล่นน้ำได้ทั้งวันก็มีน้ำอยู่หน่อยเดียวอยู่ได้ทั้งวันเล่นน้ำสนุกคนเดียวบางทีก็อยู่กับทะเลก็อยู่ได้ตลอดก็เป็นชีวิตแปลกๆมาหันกลับมามองเอ้ยมันขูดเก่าเราตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะและว้วระทานอาหารเนยหน้ามองไม่ได้หันใจหันฝ้ามองคนนั้นคนนี้ไม่ได้ ยายถือไม่เลียวขนาบเลยให้มองแต่ถาดมองแต่จานมองแต่ถ้วยเดี๋ยวจะเสียเด็กมันถูกฝึกมาก็นึกถึงลองรอยว่ามันขูดเกา่ายิ่งบอกว่าจะพึ่งลําแข้งตัวเองไม่ขอพึ่งใครงอใครันั้นน่ะเขียนไว้ตัวใหญ่ๆเตือนตัวเองชีวิตเราจะพึ่งลําแข้งตัวเองหาเงินใช้เอง ก็ยิงย้ําโศมันไม่อยากเป็นนี้บนคุณใครในชีวิตนะเนี่ยเ่าก็ชอบทวงบนคุณกันเดี๋ยวทำไมเนี้ยเห็นไหมเนะี่ยแต่ไม่ด้ชั้นนะแย่เลยเห็นไหมเนะ่ะเดี่ยมันดีได้กับเราชั้นนั่นเนี่ยแฟนเะจ้าทวงบนคุณกันเขากเออเนาะบางทีเนี่ยเขาก็หวั่นพืชหวังผลเราเนี่ย มันคิดได้พะลังหนแล้วเรื่องแบบนั้นนะก็เห็นเหลีย่ยมมายาสาหัยมากมายบางคนมันก็เข็ดชีวิตเนะี่นวัตถุหนึ่งสองสามบางคนหนึ่งสองสามมันก็มีความรู้สึกของมันไม่ใช่แล้วยิ่งมาเดินจงกรมในถือตุดดองมาเปทนที่ว่าเดินจงกรมเก็บอารมณ์รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตามคําสอนคาบอกของหลวงพ่อครูบาอาจารย์ เช่นช่วงที่ทุ ด, ดงกันไปจากวัดเนี่ยหลวงพ่อก็ทุดงอยู่นั้นด้านหลังนะ่ะสิบเอ็ดวันช่วงนั้นก็ไม่มีใครอยู่ไปกรุงเทพกันบ้างไปไหนกันบ้างขึ้นเชียงใหม่บ้างพระหายไปหมดยอดยมก็หายไปหลวงพ่อเออหลวงพ่อบอกกยมพ่อจะทุ ด, ดงเดินยงกลมอยู่นั่นก็นอนอยู่กลางดินกินกลางทรายอยู่ด้านหลังนะั่นฝึกตนแต่ละคนก็ต้องมีไง วิธีการฝึกตนสอนตนทำไมทาไมฝึกไม่สอนมันเราก็จะอยู่กับโลกได้ยากมากเลยเราเจอปัญหาเจออารมณ์ต่างๆเราก็จะมีความทุกข์มีพาละนะบีบคั้นอยู่ข้างในเลยว่ามันไม่สามารถจะจัดการคายวาจาใจของเรานะและอารมณ์ต่างๆที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจตกค้างเป็นอารมณ์บุญเน้าข้ามวันข้ามเดือน กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับทั้งที่นอนก็ดีมุ้งหดก็ดีแอร์ก็เย็นแต่ใจมันร้อนรุ่มมากเหมือนนอนอยู่บนตะแงแกงพิกซ้ายพลิกขวาเื่นขึ้นมาหน้าซีดหน้าเซียวหน้าดำหมดเยว้วหมดแรงก็คือความคิดมันกัดเอาทั้งคืนนอนก็นอนไม่หลับมีตกกังวล เรื่องของงานมาัณฑิบ้านประโยชน์ที่ทํางานเรื่องของบ้านกับไปดีทํางานสับสนวกวนใช้ชีวิตตลอวันก็บเบื่อมันมีแค่นี้เหรอชีีวิต้มีแค่การเรียนซ้ําๆที่กับปาไปเรียนซ้ําๆเหรอโตขึ้นมันมีแค่การทํางานทําการหน้าที่ซ้ำๆๆๆๆๆกิจวัตรเหมือนเดิมทัานนี้หรือมีแค่นี้เหรอหน้าคนก็ซ้ำๆๆๆๆ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออน้าเบื่อทําอะไรซ้ําๆๆๆๆๆน้าเบื่อเว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเกิดมือต่างจังหวัดเดินย่กลมทําซ้ําๆๆๆๆๆๆอยู่ก็ที่นี่มันหน้าเบื่อมัมีความเบื่อเกิดขึ้นมาสังเกตดูอารมณ์จิตจืดรู้เนื้อรู้ตัวภัยในเนี่ย ถ้ามันจะชัดบางทีก็ต้องออกไปเผชิญอา ก, กาศลมข้างนอกดนแดดละร้อนหลุมหลุมบ่อหิวหิวห่วย ห, ยหย่วยอดอยากทุกทุกยากยากข้างในมันจะชัดขึ้นมาตอนนั้นมันได้เห็นจิตใจปกติบ้างไม่ปกติบ้างพอใจไม่พอใจบ้างบางทีก็กวาดกลัวบ้างบางทีก็หิวโหยบ้างบางทีก็แาบซึ้งน เกิดปีติขึ้นมาเดินรู้สึกมีพลังบางทีกมีความสงบอปรากฏขึ้นมามีความสุขหล่อเลีย้ยงจิตวิญญาณเหมืคนทําง า, น ม, ามมม น, น, มนมีความสุขก็ลืมกินลืมนอนไปเลยมัมีความสุขทํางานแล้วติดลมอารมณ์กรรมาฐานก็เป็นอย่างนั้นนะพอฝึกไปฝึกไปเห็นอารมณ์เต็มเกิดขึ้นมันปรากฏขึ้นมา เราก็ไม่หลบไม่หลีกล้วก็เผชิญหน้าดูตาต่อตาฟันต่อฟันดูสภาวะที่มันปรากฏท้ายสุดนึ่นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและนะ่วแหละกดของใจแล้วเขาแสดงทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาทุกๆความคิดทุกๆอารมณ์ทุกๆอาการที่มันปรากฏขึ้นมานั่งเมื่อยก็ไม่เทียงเดี๋ยวมันก็หายไป หิวก็ไม่เถียงอย่างเช่นตอนนี้เราไม่ได้ทานข้าวเย็นกันบางคนบางคนจะทานตอนเย็นแล้วเพิ่งเข้ามาที่วัดเนี้คนไปทานมันหิวแล้วแหละหรือฝึกจนกระทั่งมันเป็นนิสยัยมันก็ไม่ใช่เวลากินมันจะเวลารับประทานมันจะเวลาฉันมันเป็นเวลาพักลําไส้แล้วพระเจ้าก็เลยชี้เมื่อเช้านี่ยให้เรารับประทานกัน หนักๆไปเลยฉันเต็มที่คำว่าเต็มที่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าพอเพียงแก่ที่ร่างกายเขาต้องการไม่เหลือเป็นเศษเป็นขยะจะเป็นพาล่าของร่างกายที่ต้องย่อยแล้วกเก็บไว้ยจะต้ังเกิดปัญหาขึ้นมาทีหลังมือเพนก็เบาๆนิดนึงจะเป็นลนักษณะของน้าส้มขันน้ําปั่นผลไม้ เท่ากับคำปั้นไม่ใหญ่กว่ากคำปั้นเลยว่าน้ํำปา น, นะเอามาบดด้กลองไม่เหลือกากแต่จริงๆสมัยพุทธกาลเป็นไงไม่รู้แต่ว่าข้อกาหนดของพระสงฆ์ก็บัญญัติของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันก็คือต้องการกลองกันไม่หเหลือกากว่ากั้นน้ํำปานนะไม่ใช่ชัดทันยเพือต่างๆเป็นน้ําผลไม้ที่มัน สามารถเดี่ยมาคันได้เสร็จแล้วตอนเย็นก็เป็นน้าบริสุทธิ์ก็นอนหลับซะไม่ต้องใช้พลังอะไรมากมายแล้วตป่นเช้ามากำลังหิ ว, ว่าดีเลยกระเพาะทำงานเราก็ต้องหาอาหารใส่เข้าไปาก็ต้องปั จ, จเวก์ทั้งนั้นเลยนะปัจจสี่ที่เมื่อกี้เราสวดกันนะปั จ, จเวก ก็คือมีสติกับการรับประทานอาหารสังเกตได้รับประทานไปอย่างนี้ผลท้ายสุดปฏิยาการในวันนั้นจะเป็นยังไงแล้วตอนขับถ่ายเป็นยังไงแสบก้นหรือเปล่าทีก็แสบแสบไว้ก่อนสมตำไปพิกา ร, ร ม, มือเปล่าจัจัดตอนรับประทานในวันนั้นถึงว่าตอนถ่ายเป็นยังไงแล้วตอนถ่ายเราได้สังเกตไม่มีตัวอยาการขับถ่ายหรือเปล่า แรูเมนเป็นยังไงบางมันบาดออกมาแล้วมันแสบออกมามันร้อนออกมามันเบียดเปลี่ยนตัวเองยังไงเรารับประทานอะไรไปเหตุทําให้เกิดผลอย่างนี้เนี่ยเราคือปัจจเวกจะรับประทานแต่ละทีนะพืชกินได้ไม้เป็นยานะอาหารแมคโครไบติคือเปล่าอาหารตามฤดูกาหรือเปล่าหรือว่าเอาอร่อยเอามันไว้ก่อนนะเป็นลนักษณะของอาหารที่มันเป็น การสังหารตัวเองแบบเลือดเย็นด้วยนะคอยเป็นคอยไปสาสนยังั้งวันนึ่งมันก็แสดงผลไขมันอุดตั น, นลรกสมองโลกหัวใจตื่นขึ้นมาเอามาพฤกก็เป็นได้เอาไปก็เป็นได้นะปัจเจเวท ม, มันก็ทำให้เรารู้จักตัวเรานะใจกาย ใ, ใจใจการนั่งการเดินการเยน็นการนอนการกินการขับถ่านยะจากการฝึกกันขุดเกา่า ใน่รู้แก่ความอยากนาทุเรียนกินทุเรียนจนเส้ น, เ, สนเลือดสมองระเบิดก็มีมันกันพลังงานเราสูงมันอยากมัห้ามตัวเองไม่ได้ห้ามใจไม่ได้อยากกินเหล้าอยากสูุโภหลห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยสติด้วยปัญญารู้เท่ารู้ทัน มันก็เป็นการป้องกันดีกว่ารักษาการป้องกันระมั่นระวังดีก่าป่วยแล้วรักษาหายยากแต่าการใช้ชีวิตบางทีนะพระก็เลือกไม่ได้พระนี่เลือกไม่ได้แล้วแต่จะประคันกันเหมือนองสมเด็จสามเมาเจ้าตามพรวธติบอกว่านายจนทะ นำอาหารมาถวายอสมเด็จพระศาสดางเราเห็นว่าเป็นอาหารที่ย่อยยากอาหารเมื่อนั้นชื่อว่าสุกรมันทวะเสร็จแวก็เลยบอกให้ถวายพระองค์แต่ผู้เดียวท่านก็ฉันลงไปแล้วก็ไปฝังภิกษุอื่นห้ามเด็ดขาดไแล้วจะก็คืออีกสามเดือนกับพลินิพานสเสด็จ ด, ดับขันพลินิพัน ก็คือมีจิตใจที่มีพระเมตตาที่คุณมหมากอรณาที่คุณเห็นว่านายจุนท่าให้โดยใจที่เป็นบุญถึงฉันแล้วตายก็ยอมแต่ขอให้ในายจุนท่าได้บุญได้เข้าถึงธรรมมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องเรียกว่ามีปัญญาอะไรนะใช้ชีวิตรักษา อวัยวะยอมตัดทิ้งเพื่อที่จะรักษาชีวิตยอมเสียงเงินเพื่อที่จะรักษาอวัยวะมีเงินมีทองเราก็ใจรักษาเต็มที่เพื่อให้ได้อวัยวะมันเหลืออยู่แต่ถ้าท้ายสุดตัดทิ้งแล้วมีชีวิตอยู่ก็ต้องตัดทิ้งเพื่อชีวิตมันเหลืออยู่เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้อยู่เพื่อที่จะท่องโลกจนกระทั่ง เอาโลกมาเป็นความสุขหลงโลกเราต้องเป็นพัรมมาลัยท่องโลกก็คืออยู่กับสุขก็ไม่ต้องติดสุขอยู่กับทุกข์ไม่ต้องจมทุกข์อยู่กับโลกเป็นพัมมาลัยท่องเที่ยวไปเหมือนกับวิปัสสนาในท่องเที่ยวไปในกายในใจของเราเป็นวิชากรรมฐานท่องเที่ยวไปในโลกก็คือร่างกายของเราที่มันฟางศอกยาวานาะคือ การเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะมันก็คือตัวท่องเที่ยวไปในชีวิตของเราที่มันได้รู้ได้เห็นอาการต่างๆมันคือธรรมชาติอย่างไรมันทําให้เราทุกอย่างไรถ้าเผลอหลงเข้าไปยึดว่าเป็นเราร่างกายนั่งเจ็บปวดเมื่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่เราเจ็บไข้ไม่สบายไอแสบคอนันเป็นยังไงไม่ใช่เรา เป็นคนไกของไายที่เขาทำปฏิกิริยาตามกฎของธรรมชาติขับราผลักสิ่งที่เขาละคายเครื่องเราก็รู้เราก็ใช้เขอย่างไม่ต้องทุกข์มันจะเกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องแล้วก็ตรงขณะต่อขณะเป็นเรื่องของการเดินทางชีวิตถูกการพ้นทุกข์จิตใจของเราเนี่ยมันจะมีตันหาประทานต่างๆ ความพอใจไม่พอใจไปยึดชอบไปชอบพอใจไม่พอใจยิยนดีร้ายตัวนี้มันอยู่ที่ความคิดการปรุงกันแต่งเราก็ได้เห็นมันรู้เท่ารู้ทันบันเพ็นของละเอียดแต่ก็ยากที่นของละเอียดก็คือสติน้อ ย, อยาตาน้อยเริมตาน้อยก็เห็นน้อยเบล อ, บอของยาวเป็นของละเอียดไปเลยหรือของที่มีก็มองไม่เห็นก็ได้ คนทั่วไปทีปรร่ไม่เคยฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่เคยฝึกกรรมฐานเนี่ยจะไม่ไเห็นนะความคิดของเรามันทํางานยังไงสมมติฐานความทุกข์แหล่งที่มันผลิตความทุกข์มันอยู่ตรงไหนในตั ว, ใน ต, วในตนของเราการใช้ชีวิตก็จึงไม่ถูกต้องพอเรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวเราก็เริ่มเห็นแล้วรู้เท่ารู้ทันเมื่อก่อนก็อยู่กับความคิดตอนหลังมารู้ทันความคิดออกมา ดูความคิดจนเห็นความคิดละแยกแยะได้เออความคิดน่ยมันคือสภาพธรรมที่ทําให้เราไปตีความหมายต่างๆเป็นตัวเป็นตนแล้วก็กลายเป็นสุขเป็นทุกข์ชอบไม่ชอบทุกครั้งที่เผลอมาอะไรแล้วมันก็แสดงตัวทันทีแล้วตรงนี้แหละมันต้องฝึกเรื่องของสติปัฏฐานกันเป็นวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานกรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้ง เราตั้งไว้ที่กายเคลื่อนไหวหายใจก็รู้สึกตัวได้กระพริบตาก็รู้สึกตัวได้สติมันก็วัยขึ้นไปท้ายสุด ก, ก็คือ <c oughs> มันกลายเป็นของหยาบอาการต่างๆในเพราะสติมันคมขึ้นไวัขึ้นเบีบประสบการณ์มีความจำนานมากขึ้ น, นมันเห็นเป็นของอยาบความคิดต่างๆบางทีมก็คิดเป็นลนักษณะของการปรุงแต่งปัญญาที่สังขาร คิดเป็นบุญเกิดขึ้นมาอภรญญาที่สังขารคิดเป็นบาปเกิดขึ้นมาไม่ใช่บุญคิดเรื่องบุญก็อยากได้บุญแต่ไม่รู้ว่าจะรักษากันยังไงบางทีคิดความไม่ดีเรื่องบาปกลัวเหลือเกินแต่ว่าป้องกันไว้ไม่ได้ตอนนี้ต้องใช้วิชานะอยู่เหนือบุญนืบาปวิชากรรมฐานรู้สึกตัวเป็นปกติรู้เฉยๆรู้สื่อๆไม่ตีความ รู้แล้วก็แล้วกันรู้ผ่านรู้ปล่อยรู้วางไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าทําเป็นตรงนี้แหละมันจะขูดเกาเราเป็นทุดดงที่ดีมากเป็นอนาของการขูดเกาที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกๆเวลาแหละจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะขับถ่ายจะใช้ชีวิตยังไงก็ตามจะมีสติรู้เท่ารู้ทันกํากับเอาไว้ชัดเจนมาก ตื่นขึ้นมาก็ลืมตาก็รู้สึกตัวพลิกตัวซ้ายเพือที่จะดันแรงลุกขึ้นก็นรู้สึกตัวพลิกตัวขวาจะดันตัวเองลุกขึ้นก็นรู้สึกตัวพับที่นอนหมอนมุ้งรู้สึกตัวอยู่พยายามเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวตรงเนี้นเป็นจุดที่นทุกๆคนก็ทําได้ถ้ากระจายเรื่องว่าปฏิบัติธรรมมันทําอย่างไรอาจารย์กําพลทองบนนุ่มเป็นชายวิการนอนอยู่บนเตียงก็ปฏิบัติแบบนี้แหละ จแล้วเวลาไม่มีอะไรทําก็เอาผ้าห่มมาคลี่คลีมาเคลียออกที่พับเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาค่อยๆบรรจงพับมาหางานให้จิตมันทําำต้อ ง, งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, านภายในหนึ่งเดือนรู้เรื่องรูปนามขึ้นมามันก็มีคนที่ทําสําเร็จมาแล้วแต่ว่าเขาทุกข์มากเห็นทุกข์แต่ว่าเหตุแห่งทุกข์การก้าล่วงย้อทุกข์นี่ยมันต้องปฏิบัติธทม ตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็อ่านหนังสือนั่งหามาสิบกปี <c oughs> ก็ยังไม่ได้คําตอบแต่พอลงมือทําในเดือนเดียวเท่านั้นมันได้คําตอบขึ้นมาท้ายสุดก็เข้า ใ, ขขาใจกายเราพิการแต่ใจเราไม่พิการกายเราป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยมันก็ได้คําตอบขึ้นมาจิตใจเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้ตลอด เ, อเวลาร่างกายก็ก็มีภพละทาดกาเราเล่าเกี่ยวข้องถูกต้อง ก็กลายเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ต้องประมาทถึงขนาดที่ว่าต้องให้เป็นอย่างอาจารย์กําพลอาจารย์กำพลประมาท ก, ก็คือไปกระโดดน้ำจนทั้งศีรษะกระแทะก้นสะกระดูกซี 5, ห้าหักบาดเส้นประสาทในไขสันหลังกระดูกซีห้าหมอพยาบาลหรือว่าวิาวชาโนทมีเมื่เราเคยเรียนเราอยารู้มันมันมันบาดมันหกักมันแตกแล้ว บาดเาส้นรสาทในไขสันหลังก็เอาม า, าพานดะตั้งแต่คอลงมาเนะี่ยไม่รู้สึกเลยทันทีแต่ด้วยที่มันทุกว่าความคิดนะร่างกายมันก็ไม่ได้ทุกอะไรแต่ความคิดเนี่ยมันพาทุกมากเลยพาสับสนกลางคืนนอนก็วิ่งได้นะในความฝันไปไหนมาไหนมีความสุขตื่นรืมตาขึ้นมาดูโลก เ, เราอย่างนอนพิการอยูย่ยังเดินไม่ได้เลย จนงงตัวเองแหละตอนหลังก็มาเนี่ยพลิกมือรู้สึกตัวความหงายควางหงายเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยทำกายภาพจึงตั้งเคลื่อนมือได้สองข้างเลยยกมือพลิกตั้งรู้สึกได้สองข้างเลยช่วยตัวเองได้เยอะมากเลยนี่นะเราก็เลยเห็นว่าเป็นบุคคลที่น่าเอาอย่างอีกคนหนึ่งแล้วก็สัมผัสได้แววตาสีหน้าที่ผ่องใสมีผลของธรรมะปรากฏอยู่ ใครเข้าใกล้วันทีก็รู้สึกมีความสุขเย็นเฉยๆอย่างนั้นนะหลายคนที่ทุกๆมาล่องห่มล่องให้มาไปเจออาจารย์กันพนนะบอกกระถงตัวเองนี่เล็กน้อยมากเลยหมือนถึงกระดาษนั้นทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสพูดให้ฟังเราก็จึงนี่แหละไม่ให้เวลาปล่อยไปอย่างปราบยศละต่อไปนีน้ใช้กรรมฐานฐานคือที่ตั้งการเคลื่อนไหว ของกายแต่ละขณะเนี่ยการเคลื่อนไหวเป็นฐานกายสติที่ฐานกายพอดูกายไปดูกายมาสติก็โตวันโตคืนก็เห็นความคิดนั่นแหละเห็นอาการของจิตเห็นจิตที่เป็นจิตเดิมแท้ทิมประพัดสอนปองใสจิตเดิมแท้คือใจริมว่างจากความหมายความเป็นตัวตนใจริมว่างจากความหมายความแปรตัวตนทําอะไรไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออันนี้ฉันถามอันนี้ของกูกูเก่งกูไม่เก่ง มันกลายเป็นทำเพราะว่าหน้าที่หน้าที่ผมต้องทําทํำไม่ว่าเราเอาความดีของโลกมาเราใช้กายวาจาใจเราทําดีขึ้นโลกไปให้เกิดสภาวะของสมดุลอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ผมเคยตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งในตัวเองตั้งแต่เล็กเป็นต้นมาตั้งข้อสังเกตอารมณ์ที่มันรุนแรงในตัวเราเนะนี่ยนะทำไมมีนิสัยอยู่อย่างคือโมโหลาย แต่ลายแบบเดิมเงียบเลยนะถ้าจะาคนไม่กระ ต, ตุกกระตาเนี่งียบเงียบรล้ัดเอาคาที่อะไรแบบนั้นมันทําแบบนั้นเลยนะติดคุกก็ยอมเพราะแม้ใ น, นเดือนร้อนมากเลยสมัยก่อนนะเรียนยจะ ไ, ไม่จบในหลายที่มากว่าเหตุ ก, การณ์แบบไท่ศึกโ ด, ดนทําทานบนด น, นทําทานนี่โดนทานทานบ น, นนะทุกที่อันนี้อเด็กความที่มันจิตมันเป็นแบบเนี้ยล้วก็ระมัดระวังกลัวตัวเองมากระมัดระวัง ก็อยู่ชมชนไหนพยายามระมัดระวังก็อยู่ชจงนั้นเดี๋ยวได้เรื่องเนี้ยมันกลัวตัวเองกลัวใจเลยเนี่ยมากๆกลัวแสดงออกในทางในทิศที่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนนึกเห็นในจิตประเภทเนี่ยมันแสดงออกบ่อยแล้วพอเรารับประทานอาหารเข้าไปพอเรากินอะไรดีๆเข้าไปมันกลายเป็นของเสียมันเลยแล้วกลายเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยภายในตัวอาการที่เราต้องเจ็บไข้ไม่สบายนีย ก็เลยเห็นบางคนเนี่ยเขากินน้อยๆแล้วทําดีเยอะๆนะเขากินน้อยๆแล้ ว, ล ว, ก, ก, นนลวก็ทําบุญเยอะๆแล้วก็แล้วหน้าตาก็ป่องใสมีเรี่ยวมีแรงขึ้นไปนีเป็นคนที่อายุยืนแล้วก็เจ็บป่วยก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยใครเขาหรอกเอมันก็เลยมามองเห็นว่าโอ้ลักษณะของใจคนเนี่ยนะมันมีพลังมากเลยสังเกตจากตัวเองนะช่วงไหนที่มัน กินกินนอนนอนป่วยไหมถ้าป่วยทั้งนั้นเลยเราเคยสังเกตตัวื่องไหมเวลาเรากินกินนอนๆอนกิงมันมีตต่โรคเข้าไปแต่ถ้าเรากินกินไปทํางานงานอะไรก็ได้ที่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆทําโดยที่ไม่ต้องมีใครเห็นมันจะเป็นบุญขึ้นมาหน้าตาจะผ่องใสสีหน้าผ่องใสมากๆเล ย, เลยนีน่มันก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องคล้ายๆก็ว่ากลับมาสังเกตกัน อูวัดอยู่วานะนมาก็สังเกตเหมือนกันคนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จก <c oughs> ็ไปลงมือปฏิบัติทำนะไม่ค่อยป่วยคนนี้ก็ไปปฏิบัติรำบางทีเขาก็ทําความดีไปช่วยครัวบ้างบางทีก็หยิบไม่ก ว, า, า, วาดมากวาดกวาดกวาดอมากสังเกตเอ๊ะแล้วท่าไหนเขาไม่ค่อยป่วยนะคนลักษณะเ น, นี้ยแต่ใครที่ชอบหายไปแล้วก็ไปอยู่ที่ห้องใครนอนมากป่วยมากนะกนะ็แปลกดีเหมือนกัน ลองสังเกตได้ที่พูดเนี่ยไม่ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นเราอากาศดีๆเข้ามาเรารับประทานอาหารดีๆเข้ามานอนก็นอนดีๆรถก็รถดีๆลองทําความดีให้มันเท่ากับความดีที่เราได้รับเยมันจะสมดุลเท่าๆกันเวลาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันความไม่ดีเกิดขึ้นมาเรากลับมาหาความรู้สึกตัวคิดไม่ดีผุดขึ้นมาเรากลับมาหาความรู้สึกตัวอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมากลับมาหาความรู้สึกตัวอย่างน เราสังเกตพอเราละชั่วทำดีชำระจิตนะฐานเนี่ยเราสังเกตนะพอเราชำระจิตฐานของการประทานเท่านั้นนะถ้าเราทำไม่ได้ปั๊บมันจะลดฐานมาทำเทียลดมาทำดีให้ถึงเพราะมันจะหาอะไรทำทั้งใจยังอยู่ได้แต่ถ้ากรรมาฐานก็ไม่ทำทำดีขวาดบ้านขวาดขยะเช็ดกวาดปัดถูกุฏิงก็ไม่ทำอาหารก็ไม่ช่วยทำจะทำชั่วละกราวนี้นะ มันจะมีอาการที่มันหลบหลบหลีกหลแล้วก็สังเกตเธอจะซึมซึมไม่ค่อยสบายประเภทนี้ให้ลองสังเกตเธอมันจะไปทําอะไรไปพูดไปคุยกันแล้วท้ายสุดก็ร้อนกันแล้วก็อยู่ยากชวนกันไปในตละดเปิดเปิงกันไปมันจะเป็นเรื่องนักรรมไปหากรรมกรรมดีไปหากรรมดีกรรมไม่ดีไปหาไม่ดีดชอบเข้ากลัวไปหาทํากลัวชอบอะไรมันไปหาตรงนั้นเลยทัทนทะีตรงนี้มาก็ระวังเต็มที่เลย สิ่งที่ชอบที่สุดคืองานก่อสร้างชีวิตธรรมาเน่ยงานก่อสร้างชอบมาทุกจุดแต่มาพยายามระวังไม่เข้าใกล้แต่จะคิดทําจะไม่เอาสมมติบัญญัติที่เราเคยคิดเคยรู้มามาใจแหละให้เหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่มันยำกันอยู่เรื่อยเป็นคนไกลที่มันแก้โดยตัวของมันเองนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างนะมีทิฏฐิมีความเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อทิฏฐิความเห็นมารวมกันก็ให้เข้าได้ ยอมรับนะความเห็นของเพื่อนหรือว่าความเห็นของใครก็ตามหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาร่วงกันแก้ไปเนี่ยเราเป็นภาวะผู้ดูไปดูแลเห็นเห็นว่ามันค่าไปเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวปัญญาข้างในตัวเรานะแต่ว่าไม่ใช่ความขี้เกียจ น, นะแต่จะเป็นครูที่สอนเราแล้วก็จะอยู่อย่างไรต่อไปรู้เราเป็นปีกรูหลีบปัญหาไม่ว่าจะต้องเข้าไปเชิญเพราะาไม่มีใครทําปัญหาตัวนี้ไม่มีใครแก้เราจะต้องเสนอตัวเองทําแล้วกน มันก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ ว, วัดป่าสุตโตเราจากการที่ไม่เคยมีสุนัขมาหามาหอนลักษณะนี้ไม่เคยมีนะหลวงพ่อบอกว่าประตูเนี่ยเปิดได้ปิดได้นะแล้วก็อุบายหลวงพ่อคําเขียนก็คือเอากระต่ายมาปล่อยในวัดอุบายหลวงพ่อคําเขียนก็คือเอาหมูป่ามาปล่อยในวัดเพื่คนรู้จักปิดประตูหมาจะได้ไม่เข้ามา แต่ปรากฏว่าหมูก็ตายมาแล้ววิ่งออกนอกวัดไปโดนชาวบ้านตีเอาไปกินมาแล้วหมูป่ากระต่ายหมาอะไรกัดจนตายมาแล้วกระต่ายวัดป่าก็โ ต, โตก็ลอกกระแตนเนี่ยเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเหมือนกันว่ารับรู้เรียนรู้ร่รวมกันและช่วทําดีชําระจิตจนทั้งมันเกิดปัญญาจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะทําอะไรก็ตามพูดคุยต่างๆก็มีกรรมฐานเข้าไปกํากับนะ กรรมฐานทุกๆกิจกรรมเลยกลัวก็เป็นกลัวกรรมฐานไม่ว่าจะเกี่ยวข้องการนั่งการเดินการยืนการนอนการกินการกับตายกรรมฐานคือรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้ทั้นี้มันจะเป็นฐานที่เราได้ที่พึ่งที่เดียวเป็นฐานที่ปลอดภัยฐานกายของเราเพราะกายตัวชีวิตก็มีจิตอยู่ใช่ไจิตก็อยู่กับกายว่าดูกายก็ต้องเห็นจิตสิกายก็มีเวทนาก็มีสัญญาณภัยของเราด้ ก็เรียกว่าสุขทุกขนะ์เน่ะไปกระแทกต้นไม้ไปเหยียบหมามันไม่สะดุ้งไม่ชักเท้าออกมันก็ไม่ใช่กายแล้วมันก็เพี้ยนไปอย่างนี้นะไปเหยียบไฟเนี้ยไม่ทุกข์ไม่ไม่ชักออกมาจากไฟงี้ยเจอไฟเข้าไปงั้นนะมันก็ไม่ใช่กายแพ้แล้วมันไม่มีสัญญาณสัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของดูกายก็เห็นเวทนา เห็นจิตที่อาศัยอวกายไปทางตาบางทางหูบางทางจมูกบางทางลิ้นบางทางสมองคิดเก่งบ้าง น, นะคิดเป็นสราพรพัดนั่นแหละภาษ า, าในสมองที่มันจะแสดงออกไปแล้วเราเชื่อมันหรือเปล่าถ้าเชื่อจะเป็นสัามามาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินะมากมายเหลือเกินถ้ามีสติรู้ถูกทําถูกพูดถูกอะไรก็เป็นสัมมา ถ, ถ้าไม่ถูกก็เป็ น, น, นมิจฉามิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นอย่างนั้นไป ธรรมชาติต่างๆมันก็เข้ามาเป็นตัวชีวิตของเราอยู่แล้วนะเพราะเราก็คือก้อนหนึ่งของธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างสารรค์เอาไว ม, มันไม่ใช่เราอยู่แล้วอากาศหนาวอากาศร้อนแล้วก็หนาวก็ร้อนไปตามสิ่งแวดล้อมนั่นแหละะเต็มกันที่สุดก็คือจิตใจของเราสิตรงนี้นสําคัญ <c oughs> มันเป็นสภาวะที่ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เป็นส่วนหนึ่งที่ธรรมชาตินฝ่ายรู้ก็คือสติถ้ามีธรรมชาติของฝ่ายรู้สติปัฏฐานนะนะคุณธรรมต่างๆมันก็มาอยู่มาประกอบอยู่ด้วยกันความอดทนอดกั้นความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาก็นาเมตตาเบียร์ขาความละอายเหลียวตาปลาต่างๆความชั่วมันก็รู้จักเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เป็นเรื่องของธรรมะที่มันมีอยู่เป็นอาการต่างๆมันก็อาศัยอยู่ที่กายดูกายก็เห็นอ า, าการต่างๆที่มันเกิดทั้งอาการของกายและอาการของจิตมันก็อยู่ในตัวชีวิตที่นั่งทนท่กข์อยู่นะนมันโลภนรสเน่ยมันมีกายมีสุขมีทุกข์มันทําให้เราเห็นความจริงเดินทางสู่การพ้นทุกข์มันมีสุขมีทุกข์แล้วก็เดินทางสู่การพ้นทุกข์มันไว้ให้เราเห็นมีไว้ให้เราดูเี้ เราก็เลือกเป็นในท้ายสุดก็คือเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระนะเกี่ยวข้องกับการต้องกา ร, การแบบลอยตัวเลยเหมือนในเนี่ยเราก็สังเกตดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยหลวงพ่ อ, อเขียนนะ่านใจยิ้มแบบลอยตัวมากคมมากมีพลังถึงจะนิ่งก็นิอย่างมีพลังเราสังเกตดูทุกๆุกสภาวะทุกๆอารมณ์ที่มากระทบท่านท่านรู้เท่ารู้ท่าน เราก็โตตอบทักทวงโดยทันทีทันใดอย่างนี้นทุกปั๊บดับปุ๊บเลยเป็นหนาปั๊บแก้ปั๊บเลยแก้ไม่ได้ท่าน้อยตัวขึ้นมาเลยส่งคนที่แก้ได้ก็ไปแก้เลยอยู่เหนือชั้นท่านอยู่แบบรักษาวัดสามวัดน่แล้วก็อยู่กับชุมชนเมื่อท่านรู้แล้วท่านก็บอกแล้วว่าเป็นประโยชน์นบำเพ็ญประโยชน์ใครบ้างเมื่อตัวเรารู้ะมันก็เข้าสู่สภาวะของเกี่ยวข้องใครญาติ ญาติพี่น้องอีกหลายคนก็ยังทุกข์อย่างนี้ยเราจะนิ่งดูได้อยู่ยางไงมันหลวงพ่อเนี่ยจะตายทีหลังให้ทุกคนได้ตา ย, ตายก่อนพ่อแม่พี่น้องให้ตายไปก่อนแล้วก็รับปากกับแม่ว่าจะตายทีหลังเพื่อนหลวงพ่อก็เลยบอกหลวงพ่อจะตายไม่ได้หลพ่อรับปา ก, กมีสรัทธากับแม่ว่าหลวงพ่อตายไปแล้วใครจะสอนเรื่องนี้บอกเรื่องนี้คนต่อไปะหลายคนเราร้องไห้กับหลวงพ่อขณะที่หลวงพ่ออยู่ในห้องอาชีพต้องร้องไห้พากันกลับบ้านได้มาห่วงอะไรคนที่ไม่ทุกข์นี กลับบ้านไม่ต้องมาร้องไห้คนที่ไม่ทุกชีวิตส่วนตัวส่วนตัวตอนอยู่ในห้อง i c ซีนี่มันอิสระจริงๆแต่เป็นเรากา็ลูกจ๋าลูกจ๋าพ่อช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยพอพูดประธารมระสงค์สวดมนต์แหลกเลยมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าตอนนี้ไม่ฝึกไหม่หัดกันอย่างนี้นะท่านก็แสดงออกให้เราได้ดูได้สัมผัสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราให้เชื่อเถอะศรัทธาเถอะแต่ว่าเรื่องความรู้สึกตัวทาไปเถอะ แล้วก็สภาวธรรมทุกๆอาการที่กำลังปรากฏนั่นและก็คือโจ ท, ที่เราต้องเฉลยลด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวต่อไปนักผู้ดใดฟังเห็นว่าจงเป็นเวลาเรากลาพมาพร้อมกัน